เราคงทราบดีวนะ่พุทธศาสนามันประกอบด้วยสองส่วนก็คือธรรมะและวินัยอันนี้พูดถึงสมัยพุทธกาลเลยนะแต่ก่อนก็มีแค่สองแล้วธรรมะและวินัยธรรมะคือคำสอนที่ชี้ทางไปสู่ความพ้นทุกข์ มีทั้งชี้นแนวสู่โลกุตตาะและเป็นตัวโลกุลกตตะละล้วนๆนี่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาบ้างอริยสัจสี่บ้างมักมีองค์แปดบ้างพวกนี้ก็เรียกว่าธรรมะส่วนนึงก็ทำให้เรามุ่งทำความดีอีกส่วนนึงก็ในใเราเปิดใจเห็นความจริง อันนี้รีว่าธรรมะอีกส่วนนึงก็วินัยนะวินัยก็คือแบบแผนการปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตนะโดยเพราะของพระสงฆ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติขึ้นถ้าไม่มีพระ เ, เจ้านะวินัยก็ไม่มีแต่ธรรมะนี่ มีอยู่ตลอดนะพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็มีพรเป็นเรื่องของความจริงเรื่องกฎธรรมชาติเพียงแต่ว่าจะพูดอย่างไรจะนํามาเสนออย่างไรน mm ี hmm. ้แต่ละคนก็อาจจะครูบาจารย์แต่ละคนก็ จ, จะเสนอไม่เหมือนกันหรือว่าเรียกชื่อไม่เหมือนกั น, นแต่ว่าตัวแท้ก็คือกฎธรรมชาติ อย่างเช่นถ้าอยากจะมีความสุกก็ให้ทานรักษาศีลภาวนาทานศีลภาวนาแต่บางทีก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะแม้แต่มาจากคำสอนของพระเจ้าองค์เดียวกันแต่บางทีท่านก็นำมาพูดให้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรณีและสิ่งววดล้อมหรือผู้ฟังบางทีก็แยก บุญทานสินภาวนาจากสามเป็นสนะิบซอยเป็นสนะิบแต่เนื้อแท้สาราก็เป็นเรื่องของความจริงที่จะทำให้ถ้าปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เกิดความสุขความเจริญอันนี้เรียกเป็นอากายิโกนะทาเมื่อไหร่ก็ได้ผลเมื่อ น, นั้นจะทำสมัยไหนก็ได้ผลส่วนวินัยนี่มันเป็นเรื่อง การปฏิบัติเฉพาะเฉพาะเฉพาะกิจก็ได้นะหมายความว่าในสารวัตรการก็อาจจะมีสองที่เจ็ดข้อแต่ว่าถ้าผู้เจ้าอุบัติในยุคนี้ก็อาจจะมีมากกว่า น, นั้นนะมีขึ้นมีลงไปเพราะเป็นเรื่องที่บัญญัติขึ้นคราวนี้เฉพาะคำสอนผู้เจ้านี่ ที่เรีว่ารรมากหรือพุทธธรรมนี่มันก็มีสองส่วนนะส่วนแรกนี่เป็นทำให้สบายใจก็ในขะนะับสอนในพุทธศาสนาเนี่ยหน้าที่มันประการแรกคือทำให้สบายใจทำให้อบอุ่นใจ เพรมื่อมีพระรัตนตรัยนะเป็นที่พึ่งเป็นสารณะนะสารณะมันก็ทำให้มีที่พึ่งนะคนที่มีความทุกข์ความเมือร้อนใจนะเวลามากราบพระเวลาม า, าวัดก็จะรู้สึกสบายใจเพราะรู้สึกว่ามีที่พึ่งมองขงก็นนึกไปถึงว่าโอ้มีได้มากราบแล้วนะพระรัตนตรัยก็จะคุ้มครอง คนที่เจ็บคนที่ป่วยพอมาวัดก็รู้สึกสบายใจมีความหวังนะความหวังนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่คนได้จากศาสนาโดยพระพุทธศาสนาคนที่เจ็บป่วยคนที่มีเรื่องทุกร้อนนะอยากจนอดอยากนะมาวัดนะมาทำบุญ ก็มีความหวังว่าความทุกข์นั้นจะหายไปความอดหยากก็จะสิ้นสุดความเจ็บป่วยก็จะได้แล้วการบรรเทาเยียาเ น, นี่ยคือเห้ผลทั่ให้คนหลังไหลไปหาหลวงพ่อคูณหรือว่าแสวงหาวัตถุมงคลพระเครื่อง ทำให้สบายใจทำให้อบอบุอ่นใจทำให้มีความหวังทำให้มีเรื่องมีแรงที่จะสู้กับความทุกข์เป็นมะเร็งก็ไ ม, ไม่ไม่โวยวายไม่ตีโพ ย, ยีพายมีความหวังว่าบุญที่ทาหรือว่าความดีที่จะบาเพ็ญ น, นี่ก็จะหรือว่า การที่จะไปกราบไหว้วัดนั้นวัดนี้จะช่วยทำให้ทุกมันเบาบางเคราะมันหายไปบางทีพระท่านก็ช่วยสะระเคราะนะนี่ก็เป็นหน้าที่อย่างศาสนาที่คนคาดหวังมาถวายอาหารก็อยากจะให้พระให้อนุโมทนาให้พร ให้มีอายุวันนาสุขาภละเนะีอันนี้แหละคือเหตุผลนะที่คนมาจานวนไม่น้อยนี่เข้าหาศาสนาแล้วก็เป็นหน้าที่ของศาสนาด้วยนะที่ช่วยทำให้สบายใจทำให้มีความหวังที่อบอุ่นใจมาแล้วก็สบายใจอันนี้แหละที่ศาสนาอื่นก็มีนะ คาวมาร์กนี่ก็เลยบอกว่ า, าศาสนานี่มันเป็นยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยในความหมายที่ว่าสมัยก่อนนี่เวลาเจ็บเวลาปว่วยเาก็ใช้พวกเนี่ยพวกฝิ่นเนี่ยช่วยบรรเทาความปวด ย, ยาเสพติดสมัยของสมัยโน้นกับสมัยนี้มันความหมายมันอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะสมัยก่อนเนี่ยหน้าที่ของฝิ่นก็คือทำให้มันหายปวดทายทำให้ทุเรา แต่ว่าเป็นความทุเราชั่วคราวที่นาที่อย่างศาสนารวมทั้งในคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นตัวกระตุกนะเป็นตัวกระตุกขนาดนะหรือทาหรือขย่าก็ได้นะทั้งกระตุกทั้งขยเยาแล้วก็อาจจะถึงขั้นขนาด เ, เช่น คนสอนว่าเนี่ยเรื่องเกิดแก่เจ็บตา ย, เ, ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนไม่ค่อยอยากฟังนะแก่เจ็บตายตายแน่นะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเบื้องหน้าก็คือความตาย ศาสนาเขจะบอกในพุทธศาสนาจะาเนี่ยร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลนะแม้ยังไม่ตายเนี่ยนะมันก็มีต้องปฏิมีปฏิกูลออกมาต่างทวานทั้งเก้าร่างกายนี้เป็นของไม่งามเมนะื่อตายแล้วก็เน่าเปื่อยนะเป็นอสุภนะ นี่คือคสอนที่คนไม่อยากจะฟังแต่ว่ามันขยานะขยาวให้คนเนี่ยไม่ไม่ไปหลงเพลิดเพลินในในในในร่างกายหรือบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมีลากก็ต้องเสริมลาบมียศก็ต้องเสริมยศมีสารเสิอก็ต้องมีนินทาเนี่ยมีสุก็ต้องมีทุกมีแล้วก็หมดนะพบแล้วก็ต้องพลางเจอแล้วก็ต้องจาา อันนี้ก็เป็นคําสอนที่ขยันให้คนเนี่ยนะตื่นตัวไม่ไม่ประมาทแต่คนก็ไม่อยากฟังนะเวลามามาวัดเนี่ยนะอยากจะอยากจะฟังคนเสด็ก็อยากจะฟังว่าพระให้พรอายุวันโนสุ ข, ขังพลังนะปฏิพานธนสารสมบัติอยากจะฟัง ว่าพาเพอ ร, รวยรวยรวยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็พระก็ตอบสนองนะแต่คําม อ, อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าความรวยไม่ใช่สมัมณะไอ้ไม่ใช่เป็นสารนะพุทธศาสนาจะบอกเนี่ยไอ้ทรัพย์สินเงินทองนี่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ ทำให้ เ, เป็นทุกข์ได้นะมันเหมือนฐานก้อนแดงๆที่ถือเมื่อไหรก่ก็ก็ร้อนบางทีก็เปลี่ยนมันก็อาจมนะพูะพจ้าในตอนก่อนที่ตัดสรูนี่ทรงมีนิมิตนะเห็นภูเขากองใหญ่นะั้นเป็นอาจมทั้งนั้นเลยแต่ว่าพระองค์เนี่ยเดินไปบนเขานั้น แต่ว่าจมนีก็ไม่แปลกเปื้อนไม่ติดเท้าอันนี้เป็นนิมิตหมายว่าจะได้ตัสรุคือเป็นอิสระนะจ๊ะพวกกามาสุกการมาสุขก็ในชีนี้ก็เปลี่ยงเหมือนกับพวกอาจมนะเป็นสิ่งที่ไม่งานเป็นสิ่งที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าดูคำสอนในส่วนนี้จะเน้นให้ให้ลดให้ละ ให้ปล่อยให้วางนะให้ขัดกลาวตัวเองเนีวมทั้งให้ให้ฝึกนะแบบเคียวกรัมนะเช่นถือศีลแปดออกธุ ด, ดงนะนันี้เป็นช่วงเป็นเรื่องการขัดเกลาวนะขัดเกลาวเคียวกรัมนะซึ่งชาวพุทธจำนวนมากมก็ ไม่คอยอยากจะอยากจะทําเท่าไหรนะ่คนรวยก็เวลาบอกว่าเนี่ยต้องสละต้องวางนี่เขาก็ไม่อยากจะได้ยินน่าจะเพียงแค่ว่าให้ทานนะแต่ให้ทานก็ให้ได้นะแต่ให้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะมีให้ลอมากๆทาบุญให้ทานก็ อ, อยากจะได้ กลับคืนมาเยอะๆจะได้ร่ำรวยจะได้ประสบความสำเร็จนะแต่ถ้าให้ทานเพื่อลดละความตนหนีเนี่ยอันนี้ก็ไม่อยากจะไม่อยากจะทำไม่อยากจะได้ยินด้วยคนเวลามาวัด น, นี่ก็อยากจะมาฟังนะพระให้พรแต่ไม่ค่อยอยากจะฟังเวลาพระสอน เรื่องเหล่านี้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องความทุกข์เรื่องเสื่อมราบเสื่อมยศนะเรื่องต้องเจอกับนินทาต้องเจอกับทุกข์ไม่อยากได้ยินว่าร่างกายเป็นของเน่าเปือยนะเป็นสิ่งปฏิกูลเหมือนกับถุงหนังที่หุ้มหุ้มุจจระปัสสาวะนะผู้หญิงที่รักสวยรัก ง, งามก็ไม่อยากได้ยินเรื่องแบบนี้ จริงมันไม่ไม่ใช่แค่ไม่มีไม่ใช่แค่สอนนะบางทีให้ดูด้วยนะให้แค่สอนว่าร่างกายมานันน่าเลื่อนี่ก็ยังก็ยังพอทำเนานะแต่ชี้ให้ไปดูนะไปดูศพนี่คนก็พหวาอันนี้คือคำสอนนะในพุทธศาสนาส่วนที่สำคัญมาก น, นะหน้าที่ของพุทธศาสนาคือเพื่อกระตุ้นกระตุกนะขยาว แล้วก็ขนาดอาจารยพุทธศาสนานอกจากมีหลวงพ่อคูณแล้วนะ <c oughs> ก็ยังมีหลวงตามหาบวัวหรือหลวงปู่มั่นจะไปให้หลวงปู่มั่นนี่ข้อกระหม่อมหรือว่าให้พรให้รวยรวยรยนะอันนี้อย่าไปหวังอันมีแต่สอนให้ให้ให้ทาความเพียรนนะ เรียกว่าไม่ต้องหลับไปนอนนอนกันเลยนะก็ว่าได้สอนให้ละนะคนก็ไม่ค่อยอยากจะไปหาหรืออยากได้ยินก็มีคนจุดส่วนน้อยนะที่ที่เข้าใจนะแล้วก็อยากจะไปปฏิบัตินะเพื่อที่จะเขี่ยวกรรมนะตัวเองให้ครูบาอาจารย์ขนาด มื่ก็ทั่งคำสอนเรื่องอนัตตนี่นะคาสอนเรื่องอนัตตนี่ก็เป็นคําสอนที่เรียกว่ามันมันท้าทายนะเพราะเป็นคําสอนที่กระแทกจิตกระแทกใจผู้คนนะเพราะผู้คนเนี่ยมันมีความยึดในอัตตามีความยึดในอัตตาว่าอัตตามันก็ไม่อยากจะได้ยินนะว่าไม่มีตัวไม่มีตน มันไม่อยากจะได้ยินว่าตัวตนเป็นของของปรุมแต่งเป็นมายาฝรัง่งเนี่ยนะเวลาได้ยินเรื่องอนาัตตานี้ก็จะจะต่อต้านมาก เ, เพราะมีความยึดมั่นในตัวตนมากเรื่องเซลฟ์เรื่องตัวตนเวลาพระไปสอนเรื่องอนัตตาให้กับฝรั่งนี่ก็ถูกต่อต้านมาก เพราะยังมีความยึดในตัวตนเชื่อในเรื่องว่าตัวตนมันมันเที่ยงนะมันแล้วก็พยายาทำทุกอย่างเพื่อตัวตนนะหาความมั่งมีความร่ำรวยก็เพื่อเสริมตัวตนอยากจะดังอยากจะมีชื่อเสียงก็เพื่อตัวตนนะทำอะไรก็ต้องประกาศตัวตนนั่นมันก็เป็นมากับคนสมัยนี้แม้กระทั่งในเมืองไทยทุกวันนี้ก็มีความยึดมั่นในตัวตนสูงมาก เดี๋ยนี่จะจะทุกวันก็ต้องมา ป, ประกาศตัวตนทาง Facebook นะถ่ายรูปเลือกรูปที่สวยที่สุดหล่อที่สุดดีที่สุดนะเอาขึ้นเฟซบ o o กเพื่อการให้คนทั้งโลกรู้ว่าฉันเป็นคนน่ารักฉันเป็นคนสวยทำอะไรก็ต้องประกาศให้โลกรู้นะจะกินข้าวกินอะไรบ้างก็ต้องถ่ายรูปนะขึ้น facebook ไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องประกาศ เป็นกันมากนี่เดี๋ยนี้ตามสถานที่ต่างๆนี่ก็มีแต่คนถ่ายรูปเซลฟี่ใส่รูปเซลฟี่ไปพมา ก, ก็ถ่ายเซลฟี่กันเยอะแยะมุมสาวคนไทยก็เป็นนากเป็นกันมากเหมือนกันนะไปที่ไหนแทนที่จะดูชื่นชมสถานที่วิวทิวทัศน์ก็เอาแต่ถ่ายรูปนะไม่ได้ถ่ายรูปทิวทัศน์้วถ่ายรูปตัวเองนะมีทิวทัศน์เป็นแบ็กกราวน์ นี่ก็เป็นเรื่องความยึดมั่นในตัวตนนะซึ่งพอได้ยินคําสอนเรื่องอนัตตนี่มันก็ไม่อยากจะได้ยินแต่เป็นคําสอนที่เขย่านะเขย่าตัวตนได้อย่างถึงรากเลยเป็นคําสอนที่ขนาดนะให้ให้รู้จักวางตัวตนให้ได้หรือปล่อยวางเรื่องความยึดติดในตัวตน คำสอนส่วนนี้นะที่คนก็อย่างที่บอกนะไม่ค่อยอยากจะได้ยินหรือเอาไปปฏิบัติเท่าไรนะที่มาวัดก็เพราะว่าจะได้ฟังเรื่องที่มันปลอบประโลมใจหรือว่าให้ความหวังนะทำให้เกิดความมั่นอกมั่นใจว่าเออชีวิตของเรานี่มันจะ โอเคนะมันจะดนะีไม่อยากจะได้ยินพระบอกว่าชีวิตของแกเนี่ยมันยังเป็นยังมันยังไม่ใช่นะมันจะพาไปสู่ความทุกข์อยู่นะไอ้เพืนะ่อสะสมเงินทองทำมาหากินมองข้างร่ำรวยมันยังไม่ใช่หนทางนะต้องมุ่งแต่นิพพานบางคนพอได้ฟังธรรมะก็เออนิพพานก็ดีนะ แต่ว่าความร่ํารวยก็ไม่ทิ้งขอรวยด้วยนะขอให้บรรลุนิพพานด้วยอันนี้เวลาเราฟังฟังคำปฏิษฐานเนี่ยองค์สมัยนี้เนี่ยก็จะมีทั้งประเทศว่าขอให้ร่ํารวยนะไม่รู้จักคําว่าไม่มีไม่มีแต่คณะเดียวกันก็ขอให้ได้บรรลุนิพพานเรียกว่าจาับปลาสองมือเลยนะแต่ที่จริงเนี่ยถ้าจะบรรลุนิพพานก็ต้องวางนะไอ้อี ก, อก ไอความบางังคับร่ำรวยนะความสาเร็จเนี่ยมันต้องวางอย่างที่เนี่ยในบทสวดเนี่ยที่เราสวดทรว่ามันก็จะมีบทพิสวจ์ตอนหนึ่งว่ายินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัต์ยินดีได้โดยยากยินดีเฉพาะเนี่ยคือว่ายินดีคือปรารถนาตพระนิพพานอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่เอา ความร่ำรวยไม่เอาอายุวันนาสุขะภะละไม่เอาจะเอาแต่นิพพานอย่างเดียวหรือยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานนะคําว่าเฉพาะเนี่คือว่าอย่างเดียวแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้แม้จะมาวัดมาขึ้นเออได้ยินคําว่านิพพานก็อยากได้นะแต่ว่าอยากรวยก็ยังเสียดายอยู่นะก็ยังอยากรวยแล้วก็อยากนิพพาน อบอกว่านิพพานหมายถึงการสละนะการปล่อยการวางการให้ทานนะก็เอาหูทวนลมนะแล้นะันะ้งนผะู้มาปฏิบรรัติทำจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยก็ก็มาเพื่ออยากจะได้ส่วนแรกจากศาสนาพุทธคือความสบายใจมาวัดแล้วมันสบายใจนะมันไม่มีเรื่องไม่มีราว ทิ้งเรื่องทิ้งปัญหานะที่บ้านเอาไว้มาวัดไม่ต้องมีใครมาพูดให้กระทบใจนะมาอยู่ในเสียงรองที่มันสงบนะไม่ต้องเร่งรีบแข่งขันกับใครอันนี้ก็ดนะีหรือว่ามาเพื่อที่จะได้ฝึกปฏิบัติพบความสงบใจนะทำสมาธิแล้วมันสบายนะแต่ว่าก็หยุดแค่นั้นแหละ จะไม่ไปต่อว่าก็แค่ว่าให้ลดให้ละลดละกินเลดนะที่ผู้คนส่วนใหญ่นี่จำนวนไม่น้อยไปทรรมกายกันเพราะว่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันตอบสนองตรงนี้แหลนะทำให้สบายใจทำให้มีความหวังนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่จะเพิ่มพู่นขึ้นนะจากการมาทำบุญ แล้วก็จากการมานั่งสมาธิแล้วมันสบายเห็นรูปแก่แล้วมันสบายแต่ว่าคำสอนเรื่องให้ลดให้ละให้เห็นถึงความไม่เทียงของชีวิตนะให้ตาเตรียมนะเพื่อที่จ ะ, ะเผชิญความตายนะซึ่งหมายถึงการรู้จักปล่อยวางนะโลกธรรมนะที่เคยยึดมั่นถือมัน่น อันนี้จะไม่อยากฟังแล้วก็ไม่สนใจจะปฏิบัติถึงแม้จะไม่ใช่วัดธรรมกายมาปฏิบัติที่ที่ไหนก็แล้วแต่ถึงแม้แต่ที่สุขโตมหาวันจนวนไม่น้อยก็มาปฏิบัติก็เพื่อหวังความสบายใจแต่เพื่อที่จะมามาไราว่าละมาสละหรือว่ามา ลอกหนังกำพร้าออกนะมาขูดเอากิเลสออกนะขูดเอาอัตตาออกก็ไม่อยากจะทำนะมันปวดนะ้มีแม่เคยมีม่ชีคนหนึ่งนะแกมันก็มาปฏิบัตินะแต่แกเป็นคนที่ค่อนข้างจะตนหนีมากวันหนึ่งลูกวันหนึ่งลูกสาวก็มาขอยืมเงิน แกก็เสียดายเงินก็ไม่อยากให้แต่ก็จะปฏิสเสธก็ลําบากใจเดนนินจงกลมแกก็นึกถึงเรื่องเงินว่าจะต้องจะต้องเสียดายเงินที่ต้องเสียไปก็เดินจงกรมคิดแต่เรื่องเนี้ยเสียดายเงินเสียดายเงินแล้วพอแกยังห่วยังยังยั ง, ย, งยังตึเหนียว นี่ขนาดมาวัดแล้วก็ยังก็ยังห่วงนะแล้วก็คนที่มาขอก็ไม่ใช่ใครก็เป็นลูกตัวเองก็มาบวชชีแล้วนยะก็ยังปล่อยวางไม่ได้แต่ก็มาเจริญสตินะเจริญสติเพื่อรู้ทันความคิดนะแต่ก็ปล่อยให้ความความโลภความตนหนีนี่มันครอบงำใจหลายคนก็มาปฏิบัติเพื่อที่จะสละหรือปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆ ที่ทำให้วิตกกังวลซึ่งก็ทำให้สบายใจนะแต่ว่าไอ้กิเลสตัวใหญ่เนี่ยไม่สนใจจะจัดการเหมือนกับเห็นกวดก้อเล็กๆอยู่บนถนนเห็นปัดกวาดออกไปแต่หินก็ใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นไอ้หินก้อน ใ, ใหญ่คือกิเลสนั่นแหละอัตตาเนี่ยหลายคนก็มาปฏิบัติแบบนี้แหละนะมาปฏิบัติเพื่อที่จะ ให้ได้รับความสบายใจไม่มีความความฟุ้งร้านมาค้อบงำแต่ว่าก็ไม่คิดที่จะเล่นงานกิเลสนะเล่นงานอัตตาจริงๆ จ, จังๆก็ปล่อยให้มันคนะ้อบงำใจได้เวลาพาะะ่อแม่ชสียวนี่เวลาลูกมาขอเงินแกก็เป็นทุกข์มากเดินจงกลมไปนะก็เดินไปก็ทุกข์ไป ทั้งที่ถ้าแกสละให้ให้ไปเลยนะแกจะสบายใจกว่านี้ให้ไปเลยน ะ, ะ, ะยนนยนะมันก็จะไม่มีเรื่องที่จะต้องมาเสดงเสียจได้ตัดใจให้จบแล้วก็เป็นการขัดขูดเกาวกิเลสความยุติดถือมั่นด้วยหลายคนนม่มาวัดเพื่อจะเอานะไม่คิดจะให้เพราะว่าไป สนใจแต่มาเพื่อเพื่อความสบายใจก็เลยคิดจะเอาเพราะการเอานี่มันสนองกิเลสดีไอการให้นี่มันหรือการแบ่งปันนี่มันมันมันสวนทางกับกิเลสนะไม่ชอบทั้งที่พุทศาสนาก็สอนเรื่องการให้การแบ่งปันการสละเนะี่ยเป็นใหญ่แต่ว่าคนมาเนี่ก็มาเพื่อจะเอานะมาเอาวัตถุมงคลนะมาเอาบุญนะ เดี๋ยวนี้มาเอาบุญแนละ้วแต่ก่อนนี้เอาวัตถุมงคลเอาเอาพวกยันเอาพวกพระเครื่องเดี๋ยวนี้มาเอาแบบกันนี่หน่อยมาเอาบุญแต่ไม่แบ่งนะไม่สละไม่เคยมีนัเพศมามากันหลายคนนะแต่ว่าคนละคณะนะมาเจอกันแล้วก็มาหาที่กุฏิเนี่ย ก็สนทนากันนะพอสมควรก็เอาหนังสือแจกหนังสือที่แจกนี่ก็ก็ให้ครบคนนะแปดคนนะก็มีแปดชุดนะก็มอบให้ให้โยมคนหนึ่งไปช่วยแจกมาเอาไปแบ่งเอาไปแจกกันเพราะว่าจะแจกเป็นลายคนนี่มันก็เยอะนะแปดคนแปดแปดคนให้เขาไปแบ่งกันเอง ปรากฏว่าเขาเขาเก็บเอาไว้นะแจกส่วนหนึ่งเราเก็บเอาไว้เพื่อจะไปแบ่งให้เพื่อนที่ไม่ได้มาหรือใครก็ไม่รู้ส่วนคนที่มาด้วยกันเนี่ยก็มีบางคนไม่ได้ไปขอเขาก็ไม่ให้นะให้มาเอากับให้มาเอากับผม ให้ผมก็ไม่เสียดายหรอกแต่ว่ามันทำให้ได้คิดนะเอ๊ะทำไมทำไมก็ามาด้วยกันนะน่าจะมีน้ําใจนะน่าจะมีน้าใจแบ่งปันกันให้ทั่วถึงแต่นี่กักเอาไว้นะเพราะว่าอยากจะไปให้คนอื่นแต่คนที่มาด้วยกันถึงแม้จะไม่ใช่เป็นคนรู้จักกันนะแต่ว่ามาด้วยกันนะก็น่าจะมีน้ําใจแบ่งปัน อันนี้มันสะท้อนนิสัยนะมันสะท้อนนิสัยว่ามาวัดแล้วเนี่ยแต่ว่ายัางยังยังมีนิสัยที่จะเอานะไม่มีน้ําใจอันนี้เห็นบ่อยนะเวลามาวัดเนี่ยความไม่มีน้ําใจต่อผู้อื่นนี่ก็เห็นอยู่ถ้าเป็นผู้เดียวกันก็มีน้ําใจแต่ถ้าเป็นคนอื่นแมาจะมาวัดด้วยกันหรือมาวัดเหมือนกันนี่ก็ ไม่มีน้ำใจเช่นการแบ่งปันอาหารหรือการแบ่งปันหนังสือที่ได้มาหรือว่าการช่วยให้นั่งรถนะไปส่งตามที่ต่างๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับคนมาวัดจำนวนไม่น้อยอันนี้เพราะว่ามาเพราะคิดจะเอานะไม่ได้มีไม่ได้คิดที่ ไม่มาเพื่อที่จะขัดเกลาหรือมาด้วยน้ําใจที่จะแบ่งปันคนที่มาเข้ามาศาสนานะอย่างนี้เนี่ยที่มาแบบนี้ก็เพราะมาเพราะว่าศาสนามาต้องการามาเพื่อมาทําบุญเพื่อจะเอาเพื่อความสบายใจแต่ถ้ามาวัดเนี่ยหรือเข้ามาศาสนาเพื่อที่จะขัดเกลารนะ์เพื่อที่จะ ขวดกิเลสมันจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ทำให้นึกถึงว่าคนที่เขาไม่ได้มาวัดนะแต่ว่าเขามีน้ำใจเ อ, อื้อเฟือนี่กับคนแปลกหน้านี่มีนะบางทีเจอได้ไม่ยากนะไม่ได้มาวัดแต่ว่าเจอกันในร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวได้ก็แบ่งปันกัน แม้จะไม่รู้จักกันไม่มีกักเอาไว้ให้คนนั้นคนนีน้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเก ต, เนตคนที่มาวัดจำนวนไม่น้อยนี่ก็ในแง่ของน้ำใจก็ไม่ได้ไม่ได้มากไปกว่าคนที่อยู่ข้างนอกบางทีน้อยกว่าได้ซ้ำแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เฉลียวใจกันเท่าไหร่นะ พอคิดว่คนคิดว่าเออมาวัดแหละเป็นคนเป็นคนที่เรีย่ยวมีน้ําใจอะไรต่างๆใจบุญแต่บางทีมันก็ไม่ใช่งันเสมอไปพอขึ้นอยู่มาวัดด้วยวัตถุประสงค์อะไรหรืออะไรที่เป็นแรงดึงดูดจะให้มาวัดนะมาเพื่อความสบายใจมาเพื่อที่จะเอาหรือว่ามาเพื่อที่จะขัดเกลาตัวเองขัดเกลากินเละ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ต่างกันที่ทำให้เราเห็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันกังคนที่มาวัดเวยเอาละชาติพูดกับตนนี้